ยากิโนมทั้งหลายก็พากันสั้งใจที่จะทำความสงบกันต่อไปในเบื้องต้นนี้จะมาก็จะได้นำขอให้ว่าตามข้าพระเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิาดามารดา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 พุทโธพุทโธพุทโ ธ, ท ธ, ทธนั่งขัดะมาดิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักนึกพุทโธในใจกำหนดใจไว้ที่ใจใจของเราอยู่ที่หัวอกเบื้องซ้ายกำหนดใจลงไปที่ตรงนั้น นึกพุโทโธลงไปที่ตรงนั้นแต่เมื่อจิตสงบจิตรวมแล้วพุโทโธก็ไม่ต้องนึกกำหนดจิตไว้เฉยๆให้ธรรมะนี้เข้าทางหูรู้ถึงใจธรรมะจะหลั่งไหลเข้าสู่ใจเองเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งละเอียดอ่อนใจของเราก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนเมื่อ ธรรมะเข้าถึงใจใจก็สามารถที่จะรองรับเพราะว่าใจของเรานั้นใหญ่โลกที่ว่าใหญ่ยิ่งก็เรียกว่าวัดหาสูงกลางไม่รู้ว่ากี่หมื่น ก, กี่ล้านกี่แสนไมยอย่างนี้ก็ยังไม่ใหญ่เท่าใจของเราทำไมใจของเราจึงใหญ่ถ้าเรามองดูแล้ว ไม่เห็นมันจะใหญ่ตรงไหนก็เท่าดอกบัวตูมเล็กๆอยู่ในร่างกายของเรานี่แต่ว่าที่ว่าเล็กๆอยู่ในร่างกายของเรานี่มันจะเรียกว่าหาไทยวัตถุเรียกไม่ใช่ใจมันเป็นหาไทยวัตถุมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายส่วนใจนั้นไม่ได้อยู่ที่หาไทยวัตถุ ถ้าเราพิจารณาดูแล้วใจของเรานี่ใจของมนุษย์นี่นึกไปแล้วนี่มันจะใหญ่กว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี่หลายเท่าตัวเพราะฉะนั้นใจของเราจึงเรียกว่าสามารถรองรับธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเหนือจักรวาลจักรวาลนี้จะมีโลกสักร้อยโลกพันโลกมันก็ยังไม่เท่า กับธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นกว้างใหญ่ไพศาลค ร, รอบคลุมหมดทั้งจั ก, กรวาลแต่นั่นแหละแม้ใจใหญ่โตเพียงใดก็จะต้องย่อลงมาอยู่เหลืออันหนึ่งเรียกว่าเอกธรรมโมคือธรรมดวงเดียวพระพุทธเจ้าที่จะทรงตรัสรู้นั้น พระองค์จัสรู้ก็เพราะว่าพระองค์ได้ยอ่อลงมาหมดแล้วยอ่อลงมาจนกระทั่งเหลือหนึ่งถ้ายังไม่ยอ่อไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ไม่ว่าสิ่งใดทั้งหมดเหมือนกับอาหารอยู่ในนาหรือข้าวอยู่ในถังในยุ่มมากมายเหลือเกินจะต้องยอ่อค่อยยอ่อลงมา จากนาไห i, ลร้อยไหลพันไร่มาอยู่หนึ่งช้างจากหนึ่งช้างมาอยู่หนึ่งกระสอบจากหนึ่งกระสอบก็มาอยู่หนึ่งหมอ้อจากหนึ่งหม้อก็มาอยู่หนึ่งจานนจากหนึ่งจานก็มาอยู่หนึ่งช้อนคราวนี้ถึงจะสําเร็จสําเร็จเข้าปากของเราได้นี่ต้องย่อจากหลายร้อยหลายพันไร่ lei, แล้วก็มาอยู่หนึ่งช้อน แล้วก็เข้าไปในปากคราวนี้ก็เกิดความอิ่มแล้วใครเล่าที่จะไปทานหรือว่าไปรับประทานนาตั้งพันไล่หรือว่าจะไปทานข้าวเข้าปากเที่ยวหนึ่งตั้งเป็นช้างยุงหรือว่ากระสอบหนึ่งหรือว่าหม้อหนึ่งก็เอาเข้าไปไม่ได้แต่จะเข้าได้ก็ตอนเมื่อย่อลงมาเลื้หนึ่งช้อน พระพุทธเจ้านั้นพิจารณาถึงอรอบขอบจักรวาลทั้งสิ้นกว้างใหญ่ไพศาลพระองค์ก็ได้ทรงย่อลงย่อลงจนกระทั่งเหลือความเป็นหนึ่งถ้าเราคิดถึงอารมณ์ของบุคคลความนึกคิดของบุคคลนี่อย่าว่าแต่โลกเลยนอกโลกมันก็คิดไปได้ แต่ในที่สุดนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงย่อลงมาเรียกความเป็นหนึ่งเมือ่อย่อลงมาเรียกความเป็นหนึ่งแล้วทีนี้ก็เกิดกระแสเลียกว่าเกิดกระแสหนักกระแสแรงยอร่อลงมาเลื่อ่งแล้วมันจะแรงขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริทธิปาฏิหาริญั้น ทรงแสดงได้ทุกอย่างทุกประการไม่ว่าจะหเหาะเหินเดินอากาศหรือไม่ว่าพระองค์จะแสดงอย่างใดๆนั้นก็สามารถแสดงได้เพราะว่าพระองค์ย่อลงมาเรียความเป็นหนึ่งัา น, นเกิดพลังจิตเป็นอันมากด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้แนะนำสาวกทั่วไปว่าใครอยากได้ของดีใครอยากได้ ความบริสุทธิ์แล้วให้ยอ่อลงมาอยู่ความเป็นหนึ่งลองทงัดว่าเมื่อยอ่อลงมาถึงความเป็นหนึ่งแล้วมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งนั้นคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยอ่อลงมาเหลือนิดเดียวแต่ว่าคุณภาพนั้นยิ่งกว่าของใหญ่ๆเราลองเอา ก้อนกรวดหรือว่าเราเอาดินทรายเนี่ยเอามากองสักเข้าภูเขามากมายแล้วก็เอามาเปียบแพทสักลูกเท่ามะตูมนี่แพทลูกเท่ามะตูมไม่รู้มันกี่หมืนกี่แสนล้านแล้วก็ทรายเอามากองกองนั้นอ่ะใหญ่กว่าเพดเม็ดลูกมะตูมนั่นตั้งหลายแสนเท่า แต่ราคามันก็ไม่เท่ากันแฉะนั้นเมื่อเราได้รับความบริสุทธิ์บริสุทธิ์นั่นก็คือความปราศจากมนทินอย่างที่มีอะไรต่างๆมันเป็นขี้สนิมที่มันเกาะกินอยู่ในเหล็กหรือขี้สนิมเกอกินอยู่ในทองเหลือง ฉีส น, นิมนก็กินอยู่ตามทั่วไปอย่างนี้ถ้าขัดออกไปแล้วมันจะเกิดความใสสะ อ, อาดเขาเรียกว่าเนื้อบริสุทธิ์ถ้าเป็นเหล็กเขาจะเรียกว่าเนื้อเหล็กบริสุทธิ์หรือว่าถ้าจะเป็นทองเหลืองก็เรียกว่าทองเหลืองบริสุทธิ์นี่คือความยอ่อลงไปเมือ่อย่อลงไปหนักเข้าหนักเข้านี่ผลประโยชน์จะกลับกลายเป็นสมาธิ ที่ท่านเรียกว่าคณิกาสมาธิเรียกว่าอุปจารสมาธิเรียกว่าปัญณาสมาธิ <_ d ata> เขาเรียกกันถึงสมาธิก็เรียกว่าบัญญัติที่การที่ แ, แสดงว่าถึงสมาธินั่นก็ได้บัญญัติขึ้นเรียกว่าปัญญัติโยการบัญญัติขึ้นการบัญญัติขึ้นนั้นก็ต้องบัญญัติจากสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความเป็นจริง แล้วก็บัญญัติออกมาเพื่อจะพูดกันให้รู้เรื่องเหมือนอย่างกับรับประทานอาหารเราก็บัญญัติออกมาแต่มันก็เอาเข้าใส่ปากเท่านั้นแหละเราก็พูดกันว่ารับประทานอาหารมันเป็นการบัญญัติแต่ก็บัญญัติจริงๆอ่ะบัญญัติจากข้าวที่กําลังจะเข้าปากเราอย่างนี้ก็เหมือนกับที่ท่านบัญญัติสมาธิไว้ว่าสมาธินี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไร สมาธิมันเกิดขึ้นมาจากความสงบความสงบนั้นไม่มีอารมณ์มีแต่ความเป็นหนึ่งของจิตเรียกว่าสมาธิก็คือบัญญัติสิ่งหนึ่งในจิตของเราสมาธินั้นถึงเราจะบัญญัติเป็นสมาธิหรือเราไม่บัญญัติว่าเป็นสมาธิจิตมันก็เป็นหนึ่งของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่ว่า มันจะบัญญัติว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็หาไม่ความเป็นจริงเป็นอยู่อย่างนั้นคนจะไปบัญญัติว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็บัญญัติกันไปแต่ความเป็นจริงมันมีอยู่สิ่งหนึ่งอย่างที่ภาษาไทยเราเรียกว่าความสงบภาษาบาลีหรือเรียกภาษาแขกก็เรียกกันว่าสมาธิสมาธิ นี่สุดแล้วแต่ว่าภาษาไหนจะบัญญัติกันขึ้นมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นที่จริงแล้วสมาธิมันเป็นยังไงมันก็เป็นเพราะมันอยู่อย่างนั้นเองเป็นหนึ่งเป็นความสบายมันก็เกิดและมีอยู่อยู่อย่างนั้นถ้าเรียกว่าปกติ เพราะนั้นเมื่อจิตมันปกติโดยที่มันไม่มีอารมณ์อื่นๆที่เข้ามาวุ่นวายในจิตใจแล้วมันก็กลายเป็นจิตปกติเมื่อจิตปกติจิตนั้นมันจะเกิดความสบายเกิดความละเอียดเท่ความสงสัยความอ่อนโยนอะไรต่างๆนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะขึ้นกับจิตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องปรุงแต่ง แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จะเป็นผลพวงมาจากสมาธิเพราะมันเกิดความเป็นหนึ่งขึ้นทันใดนั้นความละเอียดมันก็เกิดขึ้นตามมาด้วยแล้วความผ่องใสมันก็เกิดขึ้นมาด้วยความเบาก็เกิดขึ้นมาความสบายไอ้ความมีความอ่อนโยนนุ่มนวลอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นในจิตอันนั้น ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทุกคนเราที่เราต้องการที่จะให้เกิดแก่ตัวของเราในการทาสมาธิเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะต้องจดเราจะต้องจำจำว่าเราทำยังไงเราถึงมาตรงนี้ได้เราทำยังไงเราถึงได้มาถึงจุดนี้ได้ เ ร, งงเราทํายังไงเราถึงมันได้มาเป็นการกิริยาอย่างนี้ได้อันนี้เมื่อจดจําได้แล้วคนนั้นจะทําได้อย่างสบายคือสามารถที่จะทําได้อย่างสบายมากในการต่อไปข้างหน้าผู้ที่ฝึกสมาธิด้วยการทําไมจึงบางคนไปเร็วทําไมบางคนไปช้าก็เพราะความสังเกต เอผู้ที่ปฏิบัตินี้มีความสังเกตแตกต่างกันบางคนนั้นใช้ชาววนะปัญญาของตนเป็นข้อสังเกตบางคนก็สุดแล้วแต่มันจะเป็นไปอันคนที่ว่าสุดแล้วแต่มันจะเป็นไปนั้นไม่ได้ตั้งข้อสังเกตคนนั้นก็ล่าช้าไปคนที่ตั้งข้อสังเกตและมีความสังเกตมีความสนใจหรือ พยายามที่จะพิจารณาต่างๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นคนนั้นก็จะเดินไปเร็วในคำภีวิสุทธิมักนั้นท่านได้ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องสมาธิไว้อย่างนี้ว่าผู้ที่ทำสมาธิเกิดขึ้นแล้วนั้นในวันนั้นเขาทำอะไรบ้างในคำภีวิสุทธิมักแสดงถึงว่า รับประทานอาหารอะไรจิึงเป็นสมาธิขึ้นมาอย่างนี้ในวันนั้นหรือวันนั้นได้นั่งเวลาเท่าไรก็เอาเวลานั้นมากำหรือว่าวันนั้นได้นั่งหันหน้าไปทางไหนก็จะแจงหันหน้าไปทางนั้นอ่าอย่างนี้คือท่านตั้งข้อสังเกตตั้ข้อสังเกตเพื่อที่จะ ให้จิตนี้มันเกิดความว่างง่ายสอนง่ายขึ้นหรือเกิดความสงบไปเร็วเดินทางไปได้เร็วขึ้นอย่างนี้แต่ทีนี้นั่นท่านตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นก็เพียงเพื่อชี้แนวส่วนว่าเราจะใช้เจาวณาคัญญาของเราที่จะตั้งข้อสังเกตอย่างไรนั้นอยู่ที่เราที่จะต้องใช้อีก นอกเหนือไปจากข้อสังเกตที่จิตจะเป็นสมาธิในขั้นต้นนี้แล้วก็ยังมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งเมื่อเวลาจิตที่มันไม่สงบเนี่มันเป็นเพราะอะไรมันต้องมีต้นเหตุต้นเหตุก็คือว่ามันฟุ้งซ่านมันคิดมากไอ้ฟุ้งซ่านคิดมากนั่นมันไม่ใช่ต้นเหตุมันเป็นปลายเหตุไปเสียแล้ว ส่วนว่าต้นเหตุที่มันจะทําให้เรานึกคิดในขณะที่เราฟุ้งร่านนั่นมันมีอีกต้นเหตุของมันต้นเหตุของมันนั้นก็คือพวกอุปทานต่างๆที่เราไปยึดเอามาเก็บฝังเอาไว้ในใจของเรานั่นคือเก็บเอาไว้ไปทะเลาะกับใครมาก็เก็บเอาไว้หรือว่าไปยีดีสโมสรกับใครมาก็เก็บเอาไว้ หรือเราไปทํางานอะไรมันผุผักขึ้นมาก็เก็บเอาไว้หรือไปทํางานอะไรมันเรียบร้อยเกิดขึ้นมาก็เก็บเอาไว้ทีนี้เก็บเอาไวมาา้มากเข้ามากเข้ามันก็เป็นต้นเหตุแห่งการที่จะนําคิดในขณะทำสมาธิว่าเออเห็นจะต้องทําอย่างนั้นเห็นจะต้องทําอย่างนี้คิดไปคิดมาก็เลยฟุงสร้านไป ทีนี้จะแก้ต้นเหตุอย่างนี้เราจะแก้อย่างไรการแก้ต้นเหตุนี่เราก็ต้องใช้มีดมีดมดเนะ่ยหรือเรียวกว่ามีดดาบเขามีดดาบนั้นมันคมมากนะมีดดาบมันฟันลงไปอย่างนี้อถ้าหากว่ามีดดาบคมเนี่ฟันเช็คลงไปขาดสงท่อนเลยคนเนี่ยก็เรียกว่ามีดดาบ อันนี้เป็นการที่เราจะแก้ต้นเหตุคือแก้ต้นเหตุนั้นมีดาบในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามีดดาบที่เขามอามาฟันคนแต่ว่ามีดดาบอันนี้คือปัญญาปัญญานั้นคือส่วนที่เราจะต้องใช้แก้ไขในเหตุการณ์เฉพาะนาที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจริงบอกว่าปัญญานี่มันเป็นเรื่องที่เราต้องใช้ตั้งแต่ประถมต้นจนจะทั่งมัธยมมหาวิทยาลัยไปเลยก็เรียกว่าปัญญาในการที่เราจะใช้กับจิตใจของเรานั้นเราใช้ปัญญาเป็นเครื่องฟันให้ขาดไปเลยประธานอันนั้น ทีนี้เมื่อมันไม่ขาดนี่เราจะทํายังไงก็ก็ดาบเราปึ้นเมื่อดาบปึ้นมันก็มันไม่ขาดเมื่อมันไม่ขาดจิตมันก็มียอมลงนี้ทําไมถึงจะทําให้ดาบนี่มันคมได้มันก็ไม่ใช่ของยากเพราะว่าดาบนี่มันรับชั่ววินาทีเดียวมันก็คมแล้วไม่ต้องไปนั่งผลกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรอก มันรับเพียงวินาทีเดียวหรือวิานาทีเดียวมันก็พอแล้วสำหรับดาบคือปัญญาเพราะฉะนั้นใช้ความคิดเพียงความคิดเดียวเท่านั้นว่าร่างกายอันนี้มันก็สัตว์แต่ว่าเป็นวัตถุอันอของโลกอันหนึ่งทนนั้นส่วนความนึกคิดกิจการอะไรต่างๆมันก็เป็นวัตถุของโลกทนนั้น เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นตัวตนแต่อย่างใดสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่มียมันเป็นสัมมันเป็นสภาวธารมทั้งสิ้นเรียกตัดออกไปเลยอันนี้คือเรียวกว่ารับดาบถ้าว่าเรารับดาบได้เชิดเดียวเท่านั้นอารมณ์นั้นมันจะเกิดจุยไปในทันทีเหมือนอย่างที่ว่าพระยา ม, มาน่ะ มาประจนพระพุทธเจ้าอย่างนี้พยายามาน่ะพยายามนมันมาประจนพระพุทธเจ้ามาประจนก็พระพุทธเจ้าก็รับดาบเชิเดียววินาทีเดียวเท่านั้นพวกมานก็เรียบร้อยแพ้หมดเราก็เช่นเดียวกันน่ะเราก็ต้องใช้ดาบคือปัญญานี่ฟันมันลงไปลงไปเลยดาบของเราคมไหมไม่คม มันก็ฟุ้งซ่านต่อไปดต่พอเราคมไม่คมมันก็สงบต่อไปนี่เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอุบายวิธีเรื่องของการทําจิตมันก็ต้องมีกันหลายๆอย่างเหมือน ก, นกันกับผู้เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยจะสอนลูกศิษย์คงก็จําเป็นจะต้องหาอุบายวิธีต่างๆเช่นพระพุทธเจ้าสอนท่านพระ จุลบรรทพบนี่ท่านก็บอกว่าให้เอาผ้าเช็ดหน้าดิมาเช็ดหน้าผากแล้วก็ไปนั่งอยู่เวลาพระทิตมันขึ้นอะ่ะพระทิตมันขึ้นสองมาที่น้าผากเหยื่อมันก็ไหลแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้านี่เช็ดที่น้าผากนั่นแหละพระจุลบรรทพบพิจารณาเอ้ผ้านี้ตั้งแต่ทีแรกมันก็กาขาวๆดีนะ มาอีเที่ยวนี้มันก็เลยมีดำมิดหมีนีมันดำลงไปดำลงไปอย่างนี้อะท่านก็เลยปลงตกท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระอระหันต์นี่ก็เรียกว่าอุบายหนึ่งหรืออย่างที่ท่านสังกิจจาสมณเณรท่านไปเห็นเขาดัดลูกหน้าไอ้ลูกหน้านะั่นน่ะไม้ไผ่เอามาเหลาเหลาแล้วมันก็คด ต้องเอาไปลนไฟดัดแล้วก็เอาตาเล็งจนมันก็กรงได้ท่านก็บอกวท่านก็พิจารณาตัวของท่านว่าใจของเรานี่มันก็คดเราก็ต้องเล็งตาเดียวก็คือหลับตาข้างหนึ่งแล้วเหลือตาข้างหนึ่งก็คือทําจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อทําจิตให้เป็นหนึ่งเล็งดูใจอันนี้จนกระทั่งใจอันนี้มันเกิดนิพพยาญญาขึ้น ท่านสังกิจจาสามเณรก็ได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์นี่ท่านก็มีวุบายของท่านอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรสอนกรรมาฐานให้เท่าไรเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักที่จะสําเร็จสักทีพระพุทธเจ้าก็ถึงร้อนถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเอาพระภิกษุที่เป็นลูกศิษย์ท่านพระสารีบุตรนั่นเอามา แล้วก็เนรมิตสะขึ้นมาสะหนึ่งแล้วก็เนรมิตผู้หญิงคนนั้นสวยงามมากเพราะว่าลกูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรนี่ในอดีตท่านเป็นช่างทองชอบความสวยงามเพราะฉะนั้นเมื่อลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรเห็นหญิงสาวที่สวยงามก็เกิดความพอใจดีใจนหนักหนา เมื่อเกิดความพอใจเช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานให้ผู้หญิงนั่นแก่ลงทันทีเลยเมื่อแก่ลงไปทันทีท่านก็มาคิดว่าเอเมืเ่อกี้นี้สวยงามอยู่หยกๆยกไงมาแก่งองคางก็ยานตาก็โบรจมูกก็ยาวแก้มก็ตอบเนื้อก็ยานสักไม้เท้างอขี้คองอยู่ตรงนั้น แล้วในที่สุดนั้นท่านก็อธิษฐานให้ตายลงไปเลยเน่าหมดทั้งสักทันใดนั้นลูกศิษย์ท่านพระสารีบุตรก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ก็เป็นอุบายอันหนึ่งมีพระภิกษุองค์หนึ่งที่ทรงพระไตรปิฎกท่านภิกษุองค์นั้นก็เร้จทรงพระไตรปิฎก แต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจเพราะว่าทำมันมากเกินไปไม่รู้ว่าจะจับตรงไหนหาที่จับไม่ได้ในคราวนั้นท่านก็ได้อุบายจากสมมเนรสมมเนรองคหนึ่งท่านก็ไม่ถือทิฏฐิแม้ท่านจะจบพระไตรปิฎกท่านก็ยอมเป็นลูกศิษย์สมมเนรอายุเพียงเจ็ดขวบตัว น, นั้นเองกําลังนั่งซักผ้าอยู่ที่ข้างสะก็ไปถามท่านว่า ทำยังไงปฏิบัติถึงจะได้สําเร็จสมนเด็จจึงบอกว่าอ้าวก็มีหัวปลวกอยู่หลวกหนึ่งยังไงเล่าหัวปลวกนั้นก็มีรูอยู่หกรูด้วยกันแนี่แล้วก็อุดเขรูหนึง่งถ้าไม่ใช่อุดเจ้าหกรูเหลืออยู่รูหนึงแล้วก็ขุดรูเข้าไปไปเจอเหี้ยแล้วก็ฆ่าเหี้ยตัวนั้นเสียให้ตายเสร็จ ท่านทรงพระใจไปดกรูปนั้นท่านก็ได้คิดว่าอ๋อให้ปิดทวานต้องงนี้เองแล้วก็ขุดเข้าไปอยู่รู้หนึ่งก็คือใจไอตัวใจนี่มันเป็นตัวเฮียคือเป็นตัวอวิชาท่านก็สามารถปฏิบัติตัวท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้มันเป็นเรื่องของอุบายแต่ละ องอุบายแต่ละคนที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาอุบา ย, ยวิธีเหล่านี้นั่นเป็นอุบายวิธีของการที่เราจะแก้ไขจิตของเราเราบางทีอาจจะใช้อุบายเดียวไม่ได้เราก็จะต้องใช้อุบายหลา ย, ลายอย่างเพราะจิตนั้นที่เราฝึกหักนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องฝุกหัด ถ้าฝึกขัดให้จิตนี่มันก้าวหน้าต่อไปคือให้เจริญเติบโตเงั้นกับเราเลี้ยงเด็กให้เจริญขึ้นนี่เมื่อมันจะนอนเราก็ต้องกล่อมมันเราต้องหลอกเด็กบอกว่ายักมาแล้วเด็กมันกลัวมันก็หลับไปหรือบางทีก็หลอกบอกว่าเด็กเห้ผีมาแล้วมันก็หลับไปทั้งๆ ท, ที่ยักก็ไม่ได้มาผีก็ไม่ได้มา จิตใจของคนเรานี่มันก็เหมือนทารกนั่นแหละเพราะว่าเรายังอ่อนแก่การฝึกหัดมันก็ต้องยังอยู่ในขั้นต่าเมื่ออยู่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็ต้องหลอกบ้างจิตของเรานี่มันต้องมีอุบายคืออุบายนะไม่ใช่หลอกให้เสียแต่ว่าหลอกให้มันถูกต้องเราก็บอกว่านี่ตัวเรานี่แก่แล้วใช่ไหม เรายังจะคิดว่าตัวเราหนุ่มอยู่เร้อนี่แกแล้วตัวของเรานี่เวลานี้ขังต่อแลใช่ไหมเวลานี้เราตายแล้วใช่ไหมนี่เห็นไหมเขาเอาเราไปเผาอยู่ที่เชิงตะกอนนะั่นน่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอุบายคืออุบายที่จะให้ใจของเราสงบลงไปมันเรียกว่าอุบายยะวิธีเมื่อเราคิดอย่างนั้นได้แล้วเนี่ยจิตมันก็ กลัวสิว่าแหม่มันตายจริงๆนะมันก็สงบลงไปเหมือ น, นอย่างก็ว่าท่านพระมาจุลบาลมาหาบาลจุลกาลมัชชิมกาลแล้วก็มาหาการท่านสามคนพี่น้องทีนี้ท่านมาหาการเนี่ยท่านเป็นพ่อค้าไปบวช ในฟังธรรมของพุทธเจ้าแล้วก็ไปบวชแล้วท่านก็มีครอบครัวแล้วท่านก็บอกว่าเราบวชเมื่อแก่อย่างเนี้ยไม่อยากจะไปยุ่งกับใครก็อยากจะเรียนกรรมฐานว่าจะทํงงา ย, ทยังไงถึงจะได้สําเร็จเมื่อไปไต่ถามองค์สมเด็จพระ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ใช้ให้ท่านไปที่ป่ชาช้าเมื่อไปถึงป่ชาช้าแล้วก็ให้มาดูศพเพราะว่าเขาจะมาเผาทุกวันทุกวัน วันหนึ่งเขาก็เอาศพผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเป็นลมตายอายุได้สิบหกปีนั่นน่ะมาถึงก็มาเอามานอนแล้วก็เชิญท่านมาหาการมาดูท่านมหาการก็ดูว่าอ๋อเนี่ยร่างกายยังสดใสมีหน้าเป็นอย่างนั้นแขนขาเป็นอย่างนั้นแล้วท่านก็ไปนั่งสมาธิต่อจากนั้นไปสับปเปลอเขาก็เอาขึ้นไปเชิญพระกรณแล้วก็จุดไฟ แล้วไปน้งกราลาบไปไม่หูไห่ตาไม่แข้งไหมขาแล้วก็ไปนิมนท์ท่านมาหาการมาอีกมาถึงก็มาดูอ๋อเมื่อกี้นี้สดใสเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไมมันดำไปละ่ะเป็นตอตะโกไปแล้วท่านก็กลับไปนั่งสมาธิต่ตอแล้วทีนี้จับกะระโหลกก็เขาจนจะทั่งเหลือแต่กระดูกหมดแล้วเนี่ยทุกส่วนร่างกายหมดแล้ว ท่านก็ไปนิมนต์ให้ท่านพรรม า, าการมาดูว่าเหลือแต่กระดูกธรรมะการมาดูแอเมอกินนี้ก็สดใสดีนี่แล้วก็ดาเป็นตอตโกแล้วก็เหลือเป็นกระดูกตัวเราก็เช่นเดียวกันท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันในเวลาต่อมาแต่ละองค์แต่ละองค์งนั้นก็มีอุบายแตกต่างกันที่จะทาให้เกิดคือ ท, ทาให้เกิดขึ้นซึ่ง ความเป็นพระอระหันต์มันแตกต่างกันและการที่พระเจ้าทรงทรมานสาวกนั้นพระองค์ก็ทรงธรมานแตกต่างกันเหมือนกันเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเราเวลาที่เราจะหาอุบายเราหาอุบายต่างๆให้มันเยอะๆก็ได้เมื่อเราหาอุบายแล้วเราก็แก้ไขตัวของเราอย่าให้ไปหยุดจั้งเพียงแค่นั้น เมื่อมันมีแมเอรเราใช้อุบายต่างๆนานาอย่างนี้แล้วเนี่ยความก้าวหน้าของจิตนี้มันก็ไม่หย enfin ุดยัางเช่นเดียวกันมันก็จะเจริญขึ้นหมายความว่าเจริญขึ้นเราเนี่ยมันต้องใช้ความสามารถเพราะความสามารถของเรานี่มันจะมีแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมีแค่นั้นความสามารถของเรา เพระนั้นเมื่อเวลาที่เราทําสมาธินี่ยเราชอบจะสบายเราก็อยู่กันไปโดยที่เมื่อไหร่ก็อยู่อย่างนั้นเมื่อไหร่ก็อยู่อย่างนั้นมันก็ดีอยู่เหมือนกันน่ะแต่ว่าความก้าวหน้ามันก้าวไปไม่ได้เหมือนกับคนที่เขามีความสามารถความสามารถที่จะพลิกแพนวิปัสสนาวิปัสสนานั้นเราก็เรียกกันแต่ชื่อว่าวิปัสสนา แต่ความจริงนั้นวิปัสนานั้นก็คือความสว่างสวัยหรือจิตนั้นมันมีพลังที่ยิ่งใหญ่เมื่อจิตนั้นมีพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วมองอะไรมันก็เป็นสิ่งที่อนิจจังสิ่งที่เป็นทุกขครังสิ่งที่เป็นอนัตตาไปหมดเพราะพลังจิตท่านเรียกว่าวิปัสนา วิปัสนา那น่ะคือจิตของคนที่น้อมไปเพื่อพิจารณากําจัดกิเลสจะเรียกว่ามีจิตขั้นสูงเรียกว่าเป็นวิปัสนาแต่วิปัสนานั้那จําเป็นอยู่เองที่จะต้องผ่านสมถะมามากมายเลือกเกินกว่าที่จะมาถึงวิปัสนาได้ ก็เหมือนกับคนที่จะเป็นด็อกเตอร์อย่างนี้ทางกฎหมายก็ดีทางเกษตรก็ดีทางรัฐศาสตร์ก็ดีเขาก็ต้องผ่านมาเรื่อยเกินแล้วผ่านมาจากโรงเรียนอนุบาลผ่านตรงชั้นประถมผ่านชั้นมัธยมผ่านชั้นมหาวิทยาลัยแต่จะกว่าจะมาถึงด็อกเตอร์ก็ เรียกว่าปริญญาเอกอย่างนี้ก็ถ้าจะพูดกันไปก็เรียกว่าผ่านมาตั้งแต่อายุสามขวบครึ่งอย่างน้อยก็ถึงอายุยี่สิบห้าปีก็หมายความว่าผ่านมาระยะอันยาวนานฉันใดก็ฉันนั้นการที่เราจะผ่านก็ไปสู่วิปัสสนานั้นก็จำเป็นต้องผ่านมาจาก นั่งสมาธิเบื้องขวาทับเบื้องซ้ายขึ้นตนซะก่อนแล้วก็เลื่อนขึ้นไปถึงชั้นประฌานถึงชั้นปฐมประฌานาทุติยฌานเลื่อนขึ้นไปเรื่อยอย่างนี้ก็เรียกว่าผ่านการที่จิตรวมมาก่นนับครั้งไม่ถ้วนจิตรวมมากี่หนจิตรวมมากี่ครั้งอย่างนี้ก็นับครั้งไม่ถ้วนน่ะ ก็เหมือนกับคนที่เรียนมาจากอนุบาลถึงปริญญาอย่างนี้ก็เรียนมาเรียนมาถึงเรียนมาถึงปริญญาก็จัปากกาเนี่ยก็เรียกว่าหมดไปไหลายดัมปรกกามันก็หมดไปไหลายดัมสมุดก็หมดไปไหลายอันเครื่องแบบก็หมดไปไหลายอันเดินก็หมดไปไหลายก้าวกว่าแต่ที่มันจะก้าวข้ามไปนั่นถ้าเราจะนับนับกันไป ก็เหมือนกันที่เราทําจิตทุกเราให้รวมจิตทุกเราก็รวมไปแล้วหรือเราทําให้สบายก็สบายไปแล้วนั่เราก็ทําอีกงั้นก็รวมรวมไปแล้วแล้วมันก็สบายมันก็สบายไปแล้วมันก็เลื่อยมาอย่างนี้แหละจนกระทั่งนั่นจิตอันนี้มันรวมมันก็นับครัง้งไม่ทวนแล้วมันก็เข้ามาถึงวิปัสสนา คือมาพิจารณาถึงความเกิดและความดับการที่เราจะดำเนินจิตมาถึงวิปัสสนานั้นเราก็จำเป็นอยู่เองที่ว่าเราจะต้องมีความฉเฉลียวฉลาดหรือเรียวกว่า ม, มีิมีดาบดาบที่คม ดาวที่คมนั่นก็คือปัญญาดังที่ได้กล่าวแล้วว่าดาวที่คมนี่ฟันทีเดียวก็ขาดสองท่อนเมื่อเวลานึกถึงร่างกายนี่มันจะเห็นกระดูกไปเลยมีพระองค์หนึ่งท่านมาเดินบิณฑบาตเดินบิณฑบาตแล้วท่านจเจริญมีปัจจนาของท่านมาเรื่อยมา จงกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งหนีสามีมาแล้วก็มาเห็นท่านแล้วก็มายิ้มให้ท่านมองเข้าไปนี่เห็นเป็นกระดูกซะแล้วไอ้ยิ้มนั้นท่านไม่เห็นท่านเห็นแต่กระดูกสามีก็ไล่ติดตามมาแล้วก็มาถามพระองค์นั้นว่าเห็นผู้หญิงเดินไปทางนี้ไหมท่านพระคุณเจา้า ท่านก็บอกว่าอาจจะมาไม่เห็นหรอกแต่เห็นโครงกระดูก ม, มันเดินไปเมื่อกี้นี่สนแสดงว่าท่านเจริญวิปัสสนาเพื่อมองพอจิตนี่มันมีกําลังคือจิตมีกําลังแก่กล้าเมื่อจิตมีกําลังแก่กล้าแล้วอย่างนี้มันมองเห็นอะไรมันก็เป็นวิปัสสนาไปหมดแหละมองเห็นตนหำยากกว่าใช่ได้ มองเห็นคนก็ใช้ได้มองเห็นพระทิดพระจันทร์ก็ใช้ได้หรือมองเห็นเงินทองเข้าของก็ใช้ได้สำหรับจิตที่เป็นวิปัสสนาแล้วมองเห็นอะไรมันก็เป็นวิปัสสนาไปแต่ว่าวิปัสสนานั้นก็ไม่ต่างอะไรกันกับที่เราดําเนินสมถะมานั่นแหละ มันก็ต้องใช้เวลาใช้การและใช้เวลาเหมืงนันก็คนที่เธาทำปริญญาอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำชั่วโมงเดียวเสร็จก็ว่ากันไปมากมายวิทยานิพนธ์ทำไปเยอะแยะดีไม่ดีตกต้องต่อใหม่อะไรก็ว่ากันไปกว่าจะสาเร็จขึ้นมาได้ก็เหมือนกันที่พิจารณานั้น สำหรับวิปัสสนานั้นก็เอามาพิจารณาให้เห็นไม่ต้องพูดอะไรกันมากล่ะพูดกันว่าร่างกายอันนี้มันเป็นส่วนสำคัญเ้าเรียกว่าสื่อสัมพันธ์หรือเรียกว่าตัวประสานงานที่มีความสำคัญพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงลงไปในร่างกายรือเรียกว่ารูปปังรูปปังก็คือรูปนั่นแหละ พระพุทธเจ้าว่ารูปังอนิจจังรูปังอนัตตารูปังภูผังก็พระองค์ก็แสดงรูปังก็คือรูปเมื่อสแสดงรูปลงไปก็เป็นตัววิปัสนาขึ้นมาในเมื่อจิตของผู้นั้นถึงขัน้นเรียกว่าจิตเข้าขัน้นจิตเข้าขั้นนั้นมันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากเพราะว่าเมื่อเวลาจิตมันเข้าขัน้น แล้วนี่ยอคล้ายๆ ก, กันกับว่าเหมือนกับมันจะนำเราไปอย่างนั้นอ่ะมันเป็นแทบๆจะเป็นเองไปเลยทีนี้เรามาเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่เขากำลังเรียนด็อกเตอร์อย่างนี้นเมื่อเขาจับปากกาจะเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่มันลากไปเลยโดยที่ไม่ทันต้องคิดอะไรมากจับเข้ากับรู้ไปเลยมัน คล้ายๆกับว่ามันอยู่ในสมองมันเต็มที่แล้วอ่ะแล้วมันก็เลยเขียนได้อย่างเรียกว่าเร็วปึ๊ดเหมือ น, นกันกับผู้ที่มีจิตที่ได้ผ่านเรียกว่าวิปัสนาเนี่ยพอจับขึ้นมานี่มันจะมองเห็นชัดไปเลยจะเป็นตัวดูก็เห็นชัดไปเลยมันเป็นธาตุก็เห็นชัดไปเลย แล้วมันจะเป็นอะไรในร่างกายอันนี้ก็เห็นชัดไปเลยทำไมพระพุทธเจ้าถึงได้ยืนยันลงมาในที่ร่างกายอันนี้เพราะร่างกายอันนี้เป็นตัวประสานงานถ้าไม่มีร่างกายอันนี้แล้วนี่อะไรจะมาเป็นเครื่องประสานงานในโลกนี้หรือว่าจะเอาวิญญาณอย่างเดียวเอาร่างกายนี่ไปเป็นดินได้หมดแล้วมีแต่วิญญาณ มันก็มองกันไม่เห็นแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ได้เกิดเรียกว่าเป็นโลกแห่งวิญญาณไปมันก็ไม่มีอะไรประสานงานแต่ว่าโลกของเรามีร่างกายมนุษย์นี่เป็นตัวประสานงานเพราะฉะนั้นคนที่จะเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่มีร่างกายนี้มันเกิดกิเลสไม่ได้ถ้ามีร่างกายนี้ต่างหากเราที่กิเลส หรือเรียกว่าตัณหาอาวิชชากิเลสต่างๆมันจึงเกิดขึ้นก็เพราะมันมีร่ามกายอันนี้แหละถ้าจากนั้นในการที่อุปชายยะจำบอกกรรมฐานให้แกผู้ที่จะเข้ามาบวชนี่ท่านจึงบอกให้ถึงตะโจเกสาโลมานะะัขาทันตาตะโจหยุดแล้วไม่ต้องบอกต่อไปอีกแล้ว เอาแค่ตะโจพอเกสาแปลว่าผมโลมมาแปลว่าขนนขาแปลว่าเล็บทันตาแปลว่าฟันตะโจแปลว่าหนังทีนี้มันก็มาสาคัญอยู่ที่หนังทีนี้เมื่อร่างกายของคนเรานี้มันมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมีหนังหุ้มอยู่เมื่อมีหนังต่างคนก็ต่างพากันมองหนังในที่สุดก็หลงหนังนี่ก็เป็นอย่างนั้น ทีนี้มันจะไปหลงอะไรนอกจากร่างกายอันนี้แล้วจะไปหลงอะไรหรืว่าหลงทรัพย์สินหลงเงินทองหลงข้าวหลงของยศถาบรรดาศักด์อันนั้นมันก็ต้องมีกายซะก่อนไม่มีกายนี้แล้วจะเอารถยนต์สวยๆไปให้ใครหรือว่าจะวาสดสวยๆไปให้ใครก็ไม่ได้ร่างกายนี้เป็นตัวประสานงานเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีร่างกายนี้ทุกอย่างก็หมดเรียกว่าไม่มีความหมาย ไม่มีความหมายดังนั้นกายจะเป็นตัวประสานงานบางคนเขาบอกว่าครูอาจารย์เนี่สอนให้พิจารณากายนี่มันราคะจริตแล้วต่อมาก็ถามว่าคนไหนเล่าที่มันไม่มีราคะจริตนะ่ะมนุษย์ไหนที่มันไม่มีราคะจริตมันไม่มีสักคนหรอกมันราคะจริตด้วยกันทั้งนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เขาก็บอกว่า การที่พิจารณากายนั่นน่ะมันมีแต่คนที่ราคาจริตอย่างเดียวคนที่จริตอื่นๆก็ไม่ให้พิจารณาหรอกอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบัญญัติให้อุปชายะสอนลูกศิษย์ก่อนที่จะเข้าบวชเนี่ยให้ว่ากรรมฐานก็คือร่างกายอันนี้มันไม่ใช่ร่างกายอันนี้เท่านั้น แล้วทีนี้ทำไมจึงไม่สอนบอกว่าถ้าคนจะหลุดน้นแล้วก็อย่าไปสอนเกสาโลมานขานนะมันก็ไม่เห็นมีคำสอนที่บัญญัติไว้ตรงไหนเพราะฉะนั้นร่างกายนี้จึงเป็นตัวอริยสัตว์ด้วยแล้วก็เป็นตัวประสานงานสำคัญด้วยแล้วก็ติดกันเนี่ยที่หลงกันอยู่เวลานี้ไปหลงที่ไหนมันก็หลงร่างกายอันนี้แหละ หลงล่ากายนี่แหละคนปากแหวงก็ยังอวดตัวว่าสวยเลยมีคนปากแหวงคนนึ่งน่ะอยู่ที่บ้านก็ไม่สู่จะไกลบ้านใหม่สมโํโรงหรอกแล้วก็เอากระจกมาส่องส่องจ้องเท่าไหร่ปากมันก็แหวงอยู่ทุกทีนะ่ะส่องไปกระถอยหลังไปส่องไปก็ถอยหลังไ ป, งไ ป, กงไปตกเรือนขาหักหิกนอกจากปากแหวงแล้วขาหกักไปด้วยอันนี้เขาเรียกว่า ร่างกายอันนี้มันเป็นตัวประสานงานจริงๆคือคนเราเนี่ยหลงอ่ะหลงร่างกายอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมันอยู่ที่ตรงจุดไหนกิเลสอยู่ตรงตรงจุดไหนเราจะแก้เราก็ต้องแก้ตรงตรงจุดนั้นเราจะไปแก้ที่อื่นมันแก้ไม่ได้เหมือน ก, นกันกับเราคันอยู่ที่ท้ายทอยนี่เราไปเกาโน่นอ่ะ หัวตะตุ่มน่ะตังนะ้งแต่เท้านะ่ะเก่าเท่าไหร่มันจะหายคันยังไงคันตรงไหนมันก็ต้องเก่าตรงนั้นหนามที่มันบงมันตักลงไปในเท้าของเราอย่างนี้ถ้าเราจะเอาหนามออกก็ต้องบงที่หัวหนามมันถึงจะถูกต้องพราะฉะนั้นที่เราพากันปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้ถึงขั้นวิปัสสนานะถ้าไปทิ้งกายย อันนี้แล้วหรือเรียกว่ารูปังอันนี้แล้วมันจะผ่านวิปั ส, สนาไปได้อย่างไรโดยที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรให้มากแม้ท่านจะอธิบายอาริยสัจสี่ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธนักมันก็ไม่พ้นจากรูปังคือรูปอันนี้เดียวเพราะนั้นเมื่อเวลาที่ใครจะดำเนินวิปั ส, สนานั้น ก็จะต้องดําเนินมิปัสนาที่กลายนี้เห็นจริงแจ้งไปจกักมีคนถามว่าถ้าอย่างนั้นสับปเปลอมันก็สําเร็จหมดเลยสิเพราะว่ามันสับผีอยู่ตลอดสับปเปลอจะไปสําเร็จได้ยังไงในเมื่อสัปเปลอสมาธิก็ไม่มีไม่มีสมาธิถึงจะสับก็สับไปอย่างนั้นไม่ได้พิจารณาเมื่อจิตไม่มีพลังพอที่จะ เป็นวิปัสสนาได้สับสนอยู่มันก็มยังไม่ได้คือมันไม่ได้อะไรไม่เป็นวิปัสสนาขึ้นมาหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจในตัวของเราของเรื่องของการทําสมาธินั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องพูดอะไรกันมากมายนักหรอกพูดกันว่าทําจิตให้สงบแล้วเราก็ภาวนาพุโทโธไป หรือว่าเราจะดําเนินวิปัสสนาก็พิจารณาดูกายให้มันเกิดนิพิพยาณขึ้นมาเราพูดเท่านี้มันก็จบแล้วสําหรับสมาธิสมถวิปัสสนาแต่ต้องพากันเข้าใจอย่างนี้นะว่าคําพูดเพียงเท่านี้มันกินความมหาศารอย่างเราพูดบอกว่าทํานานี่เราก็พูดได้สองคำตอนนั้นเอง แต่ว่ามันต้องมีไถมีไวนแล้วก็ต้องมีหัวหมูแล้วก็ต้องเอามือเนี่ยจับลงไปกดลงไปที่ดินให้ดินมันพลิกออกมาเรียกว่าไถนาแล้วยังคลาดและยังเอากลา้าและยังดำและยังเกี่ยวและยังเก็บและยังนวดนี่เขาเรียกว่าทำนาพูดคําเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าเหลือหลาย หรือเราพูดว่าเราทําบ้านเราทําบ้านนี่เราพูดทําบ้านสองคำเท่านั้นโอ้โหบางทีเราทําเกือบล้มเกือบตายไม่สำเร็จเราพูดกันว่าสมถะแล้วก็วิปัสสนาสมถะก็วิปัสสนาก็ก็พูดกันเท่านี้นแต่ว่าการจะทํำยังอิบมากทีเดียว เพราะฉะนั้นเรื่องของสมถะและวิปัสสนานั้นไม่จำเป็นต้องมาเถียงกันให้ลำบากคนก็โสเร่กันเถียงกันไปอบอกว่าของฉันก็ดีกว่าของคนโน้นของคนโน้นก็ดีกว่าของคนนี้ว่าอาจารย์โน้นก็ดีกว่าอาจารย์นี้อาจารย์นี้ก็ดีกว่าอาจารย์โน้นให้วุ่นวายไปหมดที่จริงแล้วนั้นอยู่ที่ตัวของบุคคลผู้ปฏิบัติ แล้วก็ดำเนินสมถะและวิปัสสนาเขามีอยู่เท่านี้ไม่ว่าอาจารย์ไหนก็ต้องสอนกันแบบนี้ทั้งนั้นแ่ะเมื่อสอนกันอย่างนี้อยู่ที่ตัวของเราทำนะฮะตัวของเราทาได้อาจารย์นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาขาตาเรตถาคโตพระตถาคตเจ้านั่น เพียงแต่บอกเท่านั้นแหละแต่ว่าการกระทำนั้นมันอยู่ที่เราเราทำอย่างนี้ยังมีอยู่อีกตอนหนึ่งที่ควรจะรู้นั่นเมื่อเราพิจารณากายเห็นแล้วใช่ไหมแล้วก็เราก็ย้อนมาดูตัวผู้เห็นขนาดใหกว่าตัวผู้รู้ย้อนกลับคืนมาดูสิว่าเห็นไหมไม่เห็นเมื่อไม่เห็นเราก็ยัง ยังไม่เข้าขั้นแต่เรียกว่ายังไม่เข้าขั้นวิปั จ, จนาไม่เข้าขั้นแต่ทีนี้เรามองนี่เมื่อเวลาเราหลับตามองมีกระแสจิตมองเห็นโอโหนี่ร่างกายแตกสลายเห็นชัดเจนเลยเกิดนิพพยานความเหนื่อยเห็นชัดเจนเราก็ทวนกระแสจิตมาเห็นเลยเห็นตัวผู้รู้ตัวผู้รู้นั้นอ่ะมันอยู่ข้างหลังหเรเือยกว่าต้อง ทวนกระแสะจิตเมื่อทวนกระแสะจิตกับขึ้นมาถึงที่ตั้งของจิตได้เมื่อไรเมื่อนั้นผู้นั้นก็จะต้องเป็นผู้ถึงต้นหนทางเ้าเรียกว่าต้นหนทางการถึงกระแสะจิตอันนี้นั่นแหะการถึงถิฏฐิผูตังเรียกว่าถีฏฐิผู้ดำเพื่จะมาถึงกระแสะจิตหรือเรียกว่าการที่จะมาถึงที่ตั้งของจิตอันนี้ ผู้ น, นั้นจะต้องมีพลังจิตที่ได้พิจารณาเห็นจริงแจ้งไปจักเป็นวิปัสสนามันมากเหลือเกินถึงจะถอยถอยถึงจะทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้ผู้ทีท่ทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตนั้นมีอุปมาเหมือนกับคนที่ลืมผ้าอยู่บนศีรัะลืมผ้าอยู่บนศีรษะเที่ยววิ่งหาเกือบตายว่าผ้าเราอยู่ที่ไหน แต่ความือคำที่ศีรษะก็ลองอ้เอเดียวตกหนองอ้อนั่นแล้วพูดที่พิจณาทวนกระแสะจิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้ก็เช่นเดียวกันลองอ้ออยู่ที่นี่เองหรือถ้ามาถึงที่นี่ได้เมื่อไรผู้นั้นจะไม่มีการตกต่ำแล้วพูดนั้นถึงหนทางแล้วเรียกว่าถึงหนทางเมื่อถึงหนทางเมื่อถึงในจุดนี้แล้วเนี่ย ผู้นั้นจะสิ้นความสงสัยความสงสัยไม่มีในใจของผู้นั้นอีกต่อไปว่าแค่ที่เราทำสมาธินี่มันใช่หรือเปล่ามันถูกรึปเปล่ามันดีรึปเปล่ามันใช่วันทางรอเปล่าไม่มีในจิตของบุคคลผู้นั้นโดยเด็ดขาดผู้ที่ชวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตตัวของผู้นั้นเป็นอาจารย์ตัวผู้นั้นเองได้ทันทีไม่ต้องคิดว่าเออของอาจารย์ ของอาจารย์นี่ผิดหรือถูกนาะไม่ต้องคิดอย่างนั้นไม่มีในจิตใจโดยเด็ดขาดเรียกว่าตัดสินความสงสัยได้บุคคลคนนั้นถือว่าถึงต้นหนทางอันนี้เราพูดกันตามภาษาของสมาธิเราไม่ได้พูดตามภาษาของปริยัติแต่เราพูดตามภาษาของสมาธิเมื่อท ร, รมาถึงที่นี่แล้วนี่มีอย่างเดียวคือพาวิโตหูริกโต คือทําให้มากจเจริญให้มากเมื่อทําทให้มากจเจริญให้มากแล้วนี่ทีนี้ก็จะถึงแหละที่สุดถึงที่สุดตรงไหนก็จะเดินไปแล้วคือไม่มีการทดถอยถอยหลังไม่ได้ไม่มีการถอยแล้วเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนี่ก็เรียกว่าต้นผลทางใครจะถึงบ้าง แต่ใครยังไม่ถึงก็รู้ทางเอาไว้ก่อนก็ยังดีรู้ทางไว้ว่านี่เราจะมาทางนี้นี่เราพูดกันตามภาษาสมาธิเราไม่ได้พูดตามภาษาปริยัติธรรมนั่นการทวนกระแสจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นในข้อแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนั้นโสดะก็คือการทวนกระแสนั่นเอง เรียกว่าทวนกระแสะมาเมื่อทวนกระแสะมาถึงที่ตั้งได้แล้วก็เรียกว่าทวนกระแสะมาถึงที่ตั้งของจิตก็เราคิดถึงนางวิสาขาที่ทวนกระแสะจิตได้แล้วหรือว่าเป็นผู้ที่สําเร็จพระโสดาบันท่านก็ยังต้องไปแต่งงานมีลูกต่างเยอะแยะอย่างนี้อย่างนางวิสาขาเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นการดําเนินจิตนั้น เมื่อเรารู้หนทางแล้วอย่างนี้โอกาสของเราก็ยังมีชีวิตของเรามีต่อไปก็ได้จะทำไปเวลาที่มันถึงหรือเวลาลู้เข้าเราก็ได้จดจำข้อธรรมะเหล่านี้เอาไว้เราก็จะมีโอกาสโอกาสก็จะเป็นของเราเมื่อถึงเวลานั้นต่อไปก็นั่งสมาธิกันต่อไปอีก